ก็ขอจเจริญพรวันนี้วันอาทิตย์ที่23มกราคม2565ก็นับว่าเป็นเวลานานพอสมควรที่หลวงพ่อไม่ได้มาพูดคุยนะแบบเปิดห้องสนทนากันแต่ก็มีบางบางวันที่ได้เสริมนะเสริม เสริมจากต่อจากการไหว้พระสวดมนต์ในช่วงบางทีก็ช่วงช่วงเย็นบางทีก็ช่วงเช้าแต่ก็มีไม่บ่อยก็นึกถึงนะนึกถึงพวกเราแหละว่าคนที่เคยติดตามเคยฟังว่าเป็นยังไงบ้างมีความเพียรไหมมีความระลึกรู้ถึงร่างกายจิตใจประจําอยู่เนืองๆไห ม, ม, ม, ม, ม, มหรือว่าลืมไปเลย ตรงนี้มันเป็นหัวใจจริงๆนะการเรียนรู้กายหัวใจเนี่ยมันเป็นหัวใจของหลักธรรมคือนอกจากเราได้ยินได้ฟังได้อ่านแล้วเนี่ยแต่ตัวปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่กายอยู่ที่ใจเรียนรู้ตัวเราก็เพื่อที่จะถอดถอนถอดถอนความเห็นผิดความหลงผิด ที่เคยหลงยึดถือว่าร่างกายจิตใจนี้มันเป็นเรามันเป็นของเราว่าไปมันไม่ง่ายเลยเพราะว่ามันมันยึดถืออย่างเหนียวแน่นยึดถือเหมือนอะไรนะตังเบียจริงๆมันยิ่งกว่าตังเมียอีกเนาะเพราะว่ามันยึดถือคํามภพข้าชาติไปเลยเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องฝึกฝึกให้มากมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้น ก็รู้กายรู้ใจเนี่ยรู้ตามความเป็นจริงรู้ตามความเป็นจริงคือพระพุทธเจ้าบอกความจริงคืออะไรความจริงคือร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา ม, มันเป็นเอมันป็ธาตุดินน้ําไฟลมนะดินมันก็ไม่เป็นเราไฟก็ไม่เป็นเราน้ําก็ไม่เป็นเราลมก็ไม่เป็นเราดินน้ําลมไฟเนี่ยถ้าเราแบบเข้าใจเออบางทีมันก็เข้าใจง่ายเนาะถ้ามันอยู่นอกตัวเช่นดิน ดินที่อยู่นอกตัวเออมันก็เข้าใจได้ว่าไอาความแข็งเนี่ยไอยที่เรียกว่าดินเนี่ยมันไม่ใช่เรามันเข้าใจง่ายน้ำน้ำที่มีอยู่ตามที่ต่างๆที่นอกตัวเราไม่ว่าจะในสระในทะเลในลาคลองในที่มันอยู่บนอากาศละอองน้ำเออมันก็เข้าใจได้ว่าน้ำไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วก็ไฟนะความอบอุ่นความร้อนที่มันอยู่นอกตัว ก็เข้าใจได้ไม่ยากเออว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราลมลมเนี่ยที่มันโบกมันพัดอยู่นอกตัวเรามันก็เข้าใจไม่ได้เออเข้าใจไม่ไม่ยากง่ายๆเลยว่าโอ้ลมก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแต่ทําไมอ่ะทำไมเมื่อดินน้ําไฟลมมันมารวมอยู่ที่ในกายเนี่ยจริงๆมันก็คือดินน้ําไฟลมมันแหละอะดินคืออะไรคือความแข็งใช่ไหม เช่นผมขนเล็บฟันหนังเอ็นกระดูกเนี่ยพวกลำไส้ตับไปตับไตไส้พุงตับหัวใจม้ามเนี่ยพวกนี้มันเป็นของแข็งมันก็เป็นดินเพราะดินเนี่ยคือคุณสมบัติดินน้ําธาตุไฟลมเนี่ยเขากล่าวถึงคุณสมบัติคุณสมบัติว่าดินมีลักษณะเป็นความแข็งซึ่งมีอยู่ในร่างกา ย, ยผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยมันก็แข็ง ส่วนน้ำก็คือของเหลวต่างๆที่อยู่ในร่างกายมันก็คือเป็นของเหลวมันก็มีอยู่น้ำเยิ้มน้ำเลือดน้ำปัสสาวะน้ำหนองน้ำามดน้ําจิปาตะที่มันอยู่ในร่างกายมันก็มีน้ำอยู่ธาตุไฟก็คือธาตุที่มีอยู่ในร่างกายก็คือที่มันแสดงมีคุณสมบัติให้ความอบอุ่นให้ความร้อนแก่ร่างกาย มันก็มีอยู่ลมมันเป็นที่มีอยู่ในร่างกายลมตดลมเรลมหายใจเนี่ยมันก็มีอยู่ในร่างกายทั้งหมดเนี้ยลมที่อยู่ภายนอกหมายถึงว่าดินน้ำไฟลมที่อยู่ภายนอกร่างกายกับดินน้ำไฟลมที่อยู่ในร่างกายคือสิ่งเดียวกันมันเป็นอื่นไม่ได้มันคือสิ่งเดียวกันคือก็เรียกว่าเป็นธาตุตามธรรมชาติ แต่ด้วยความหลงยึดมั่นถือมั่นก็ไปเอาดินน้ำไฟลมเนี่ยมาเป็นตนมาเป็นตัวเป็นตนมาเป็นของเรานี่คือความยึดมั่นถือมั่นถึงแม้ว่าพวกเราเนาะได้ยินได้ฟังได้อ่านมาเยอะแล้วจนฟังจนแบบคุ้นหูมากว่าดินน้ำไฟลมไม่ใช่เราไม่ใช่เราแต่พอเอาเข้าจริงอ่ะมันก็ยังเป็นเรายังเป็นของเราอยู่ เนี่ยโยมต้องกลับไปพิจารณาเนาะว่าทาไมมันถึงได้ยึดมันได้ยึดธาตุตามธรรมชาตนะิยึดธรรมชาติมาเป็นตัวเป็นตนตมาเป็นเราดังนั้นนะ่ะมันหนีไม่พ้นหรอกที่จะต้องมาฝึกนะฝึกกันให้มากฝึกรู้ฝึกดูฝึกเห็นเห็นบ่อยๆรู้บ่อยๆเห็นบ่อยๆรู้บ่อยๆจนกระทั่งใจเนี่ยมัน มันเกิดปัญญามันยอมรับความจริงได้ว่าดินน้ำไฟลมไม่ใช่เราอ่าไม่ใช่เราเห็นอยู่ทีนี้เพียงแต่ว่าเรามาใช้หลักนะมาใช้อ่านอย่างเดียวมันเข้าไม่ถึงใจหรอกเพราะอันนั้นมันเป็นความจาได้ยินมาอย่างเดียวแล้วก็จะโปรงใจเชื่อว่าดินน้ำไฟลมไม่ใช่เรามันก็ใช้ไม่ได้ เพราะการได้ยินมันก็เป็นแค่ความจำได้เป็นการท่องได้เฉยๆแต่การที่จะให้เข้าถึงว่ามันไม่ใช่เราเนี่ยมันจะต้องรู้เห็นพบก็ เ, เรียกว่าพบเห็นพบเห็นลักษณะความเป็นธาตนะุความเป็นดินความเป็นน้ำความเป็นลมความเป็นไหล เ, เป็นดินน้ำไฟลมในปัจจุบัน ต้องพิจารณาต้องรู้อยู่เห็นอยู่ว่านั่นนั่นนั่นัน่ น, น, นมันไม่ใช่เรานะถ้าเราไปท่องไปจำเนี่ยมันไม่ได้ต้องเห็นต้องมีสติเนาะต้องเห็นต้องพบต้องประจักษ์แจ้งแก่ใจในปัจจุบันขนะหลวงพ่อยกตัวอย่างนะสมมติว่ามันความมีความป่วยเนาะเป็นไข้ปวดหัวมีความเป็นไข้ตัวร้อนอ่านะสมมติพูดถึงตัวร้อนเนาะ เนี่ยทุกคนประสบมาหมดแล้วเป็นไข้ไม่สบายมันมีความร้อนตามร่างกายไม่ว่าจะตามลำตัวตามหัวตามทุกอย่างทุกส่วนของอวัยวะนั่นตอนนั้นะ่ะคือเขาเรียกว่าธาตุลมมันกำลังเอ้ยธาตุไฟมันกำลังแปรปลวนคือมันแสดงให้รับรู้ขึ้นมาว่าเนี่ยมันร้อนทีนี้ถ้าผู้ที่ไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้เข้าใจ ก็จะหลงไปแล้วหลงแล้วหลงแล้วว่าเราเราเนี่ยป่วยคือร่างกายมันมีความร้อนมีอุณหภูมิสูงเราไม่สบายเราป่วยแต่ถ้าเรามองถึงตามความเป็นจริงในหลักธรรมมันก็คือธาตุไฟที่มันปรากฏขึ้นคือมีความร้อนตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อมันปรากฏ อย่าให้มันร้อนฟรีฟรีอย่าให้มันป่วยฟรีฟรีต้องมีสติมีปัญญาเห็นอยู่เพราะได้ผ่านการได้ยินการอ่านมาแล้วนี่ว่าธาตุไฟมันเป็นธาตุตามธรรมชาติมันไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาเพราะนั้นเมื่อเวลาเป็นไข้ตัวร้อนนี่ไงตรงเนี้ยเป็นโอกาสทองเป็นโอกาสทองที่ได้เห็นความจริง เห็นความจริงความจริงจริงๆความจริงคือเป็นธาตุทำตามธรรมชาติจริงๆเมื่อเห็นแล้วอ้าวสมมติว่าคราวนี้เห็นแล้วว่าโอ้ตัวร้อนมีความร้อนเกิดขึ้นเอาหลักธรรมมาจับมาใช้โอมันเป็นธาตุตามธรรมชาตินี่เขาเรียกว่าตอนนี้กําลังพบเห็นกําลังพบเห็นความจริงมันไม่ใช่ตํารามันไม่ใช่จากสิ่งที่ได้ยินได้ฟัง แต่มันมีการพบจริงๆเนี่ยถ้าจเจริญปัญญาแบบเนี้เห็นบ่อยๆเดี๋ยวมันก็เข้าใจจนได้มันเข้าใจจนได้ว่าความร้อนเนี่ยมันเป็นเป็นธาตุตามธรรมชาติแล้วมันมีความแปรลปรลวนคือมันมีความแปรปรวนคือมันอาศัยเหตุปัจจัยเนาะทำให้ความร้อนเนี่ยลดหายจางคลายแล้วก็หมดไปนี่ก็ เ, เรียกว่าธาตุ แปรปรวนเพราะว่าธาตุเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่มีธาตุเดียวมันก็มีธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟที่มันมีอยู่ตามธรรมชาติแล้วมันก็มาเกาะรวมกันทําให้เกิดการแปรปรวนเออเกิดการแปรปรวนอย่างนั้นอย่างนี้ก็พิจารณาไปเนี่ยนักปฏิบัติธรรมต้องเข้มข้นในเรื่องพวกนี้อันนี้พูดถึงเรื่องร่างกายไม่สบายมีความป่วยใช่ไหม แต่ถ้าร่างกายมันเป็นอย่างอื่นบ้างล่ะที่มันมีอาพาธคือมีความป่วยปวดท้องอย่างเงี้ยปวดท้องเนี่ยมันมันอาจจะไม่เกี่ยวกับความร้อนใช่ไหมสิ่งที่เด่นชัดก็คือมันมีอาการยังไงเวลาปวดท้องเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องธาตุใช่ไหมก็มันจะมีมีลมใช่ไมเออสมมุติว่าลมมันอยู่ในลำไส้มันอั้นมันอัดเออมันอั้นมันอัดอยู่ในลำไส้มันทาให้ปวดท้อง ที่มันเกิดอย่างนี้ก็เกิดอาจจะเกี่ยวกับการกินอาหารเกิดจากระบบกับถ่ายเกิดจากอะไรก็แล้วแต่มันปรุงแต่งขึ้นมาแต่ในนั้นนะมันก็มีลมที่ปรากฏชัดขึ้นมาก็คือทำให้มันมีแรงดันเนาะดันลมมันดันดันจนแข็งแข็งก็เป็นดินอีกดินก็ว่ามีธาตุดินมาผสมมารวมกันเพราะนั้นเวลาปวดท้องก็อย่าให้ปวดฟรีฟรให้พิจารณาถึงอาการที่มันเกิดขึ้น แล้วก็เข้าใจมันให้ได้ว่าตอนเนี้ธาตุมันแปลปลว น, ม, น, นนะมันเป็นเองนะมันเป็นเองนะไม่ใช่เราทําให้เป็นถ้าเราพิจารณาตรงนี้บ่อยๆบ่อยๆพิจารณาตอนปัจจุบันในขณะนั้นๆอะไรแค่นี้ปัญญามันก็จะทําให้เกิดเขาเรียกว่ามันต่อยอดได้เร็วแต่ถ้าเราฟังอย่างเดียวอ่านอย่างเดียวเราไม่เคยเจอของจริงนะหรือว่าเจอของจริงแต่พิจารณาไม่ถูกไม่เป็น มันก็ได้แค่ความจำนะได้แค่ความคิดแต่การรับรู้เนี่ย ท, ท, ที่เกิดนะในขณะที่มีการพบเห็นสภาวะนั้นนะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการรับรู้รับรู้รู้เองเป็นปัจจิตังแล้วก็จะเข้าใจเองว่าอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นเป็นการแปลปลวนตามธรรมชาติแค่นี้ก็จะเข้าใจได้อย่างไม่ยากแล้วเข้าใจถึงว่าอ๋อมันไม่ใช่เรามันไม่เป็นเรา ก็เป็นอยู่อย่างนี้ช่วยชีวิตตลอดชีวิตนะจริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่เราจําความได้ใช่ไหมตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยเห็นไหมสิ่งเหล่านี้มันมีความแปรปรวนในร่างกายตลอดเวลาไม่เคยนิ่งอยู่กับที่สิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่ามันจะเรียกว่าเป็นสังขารก็ได้นะถ้าเป็นกายคือสังขารที่มันปรากฏขึ้นในร่างกายมันก็มีความมีแล้วหมดไปมีแล้วหายไป ไม่มีอะไรเกิดแล้วไม่หมดทุกอย่างที่เกิดแล้วจะต้องหมดไปก็เห็นความเกิดดับเห็นความแปรปวนเนี่ยคือปัญญาทั้งหมดเลยทีนี้เรื่องของจิตใจเนี่ยจริงๆมันก็ลักษณะเดียวกันในจิตใจเนี่ยจริงจิงจิตใจนะมันไม่ไม่เกี่ยวกับคือมันไม่ใช่ดินน้ำลมไฟแต่จิตใจมันเป็นเรื่องของของวิญญาณเป็นเรื่องของจิตเป็นนา ม, มธรรมซึ่งมันก็มีลักษณะ4อย่างใช่ไหมเออ คือมีมีสีขันคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องนามธรรมเป็นเรื่องของจิตใจซึ่งไม่ใช่ดินไม่ใช่น้ําไม่ใช่ลมไม่ใช่ไฟมันเป็นคนละส่วนกันแต่ก็ส่วนของนามธรรมเรื่องของจิตใจเนี่ยมันทําหน้าที่คือมันรับรู้มันมีความรู้สึกมันมีความจําได้มีความคิดได้อะไรเนี้ยเราก็พิณาแยกแยกแยกว่าโอ้แต่ละอย่างแต่ละอย่างมันเป็นอย่างเนี้ย ทีนี้ถ้าเรามีสติมีความเพียรก็จะเห็นความแปรปรวนของจิตใจก็เหมือนกันบางทีนย่างดูติยมลองทบทวนอารมณ์ของตัวเองเนาะร่างกายเอ้ยจิตใจมันเป็นยังไงในแต่ละช่วงเวลาแต่ละวันมันมีความสุขก็เคยมีความทุกข์ก็เคยมีความวิตกกังวลก็เคยมีความสบายใจก็มีความไม่สบายใจก็มี ความหงุดหงิดความกโกรธความโลภความหลงก็มีแล้วเป็นไงมันมีแล้วมันมันเที่ยงไหมมันก็แปรปวนมันก็มีแล้วหมดไปจริงๆพื้นฐานเนี่ยเราก็พอเข้าใจเรื่องนี้อยู่แล้วแหละเพราะฉะนั้นก็พิจรณาคือให้มีสตินะ้อฝึกรู้เขาเรียกว่าฝึกรู้ให้เท่าทันเวลาตอนที่มันกําลังมีกําลังปรากฏอะไรที่กําลังปรากฏในใจที่เป็นปัจจุบันก็ฝึกรู้รับทราบรับทราบว่ามันมีแล้วมันปรากฏแล้ว รับรู้รับทราบรับรู้รับทราบเนี่ยการาฝึกอย่างเงี้ยบ่อยๆมันก็ทําให้รู้เท่าทันและก็จะเกิดสติปัญญาเข้าใจได้ว่าจิตใจเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่แปรปรวนมีความไม่เที่ยงเนาะมีความเป็นทุกข์มีความเป็นอนัตตาเหมือนกับร่างกายนั่นแหละทีนี้พอพิจารณามากๆเนี่ยรวมแล้วทั้งร่างกายทั้งจิตใจมันก็คือสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเสมอกันเสมอกัน ร่างกายก็ไม่เป็นตัวไม่เป็นตนไม่เป็นเราจิตใจก็ไม่เป็นตัวไม่เป็นตนไม่เป็นเราเป็นแต่สิ่งเกิดดับเป็นแต่สังขารเกิดดับนี่ให้เห็นอยู่อย่างนี้ให้รู้อยู่อย่างนี้ทีนี้จริงๆธรรมะเนาะว่าไปมันเยอะมากนะคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยเยอะแล้วแต่ว่าเราจะเรียนศึกษาในหมวดไหนเช่นจะศึกษาในเรื่องของความเป็นไรลักษ เราก็มาเน้นเรื่องความเป็นใจลักถ้าเราฟังพระพุทธเจ้าจะมาเน้นในเรื่องของศีลเออซึ่งเป็นอีกเรื่องหนึง่งก็เราก็ฟังเรื่องศีลว่าพระพุทธเจ้าพูดเรื่องศีลว่าอย่างไร อ, อ่าถ้าเราจะมาฟังเรื่องของการให้ทาน อ, อันนั้นก็อีกเรื่องหนึง่งเราก็ฟังว่าเออการให้ทานมันเป็นอย่างไรการให้ทานและที่เป็นกุศลเป็นมีอนิสงส์มากควรจะให้ทานแบบไหน ทีนี้เรื่องของกรรมฐานเนี่ยที่ฝึกสมาธิฝึกปัญญาเนี่ยเราก็มาเรียนรู้มาก็มาเขศึกษาเรียนรู้ไปก็เป็นขแขนงเป็นเป็นแต่ละอย่างไปเป็นแต่ละอย่างไปทีนี้ถ้าเราฟังให้จบฟังให้ครบก็จะรู้เลยว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจริงๆก็คือท่านสอนเนี่ยก็คือใจศิกขาเนาะคือศีลสมาธิปัญญาท่านก็สอนครบออแต่ทีนี้เราก็ พินาเองการที่เราเป็นผู้ผู้ฟังมากเนาะฟังท่านผู้รู้จากท่านนู้นบ้างท่านนี้บ้างเออฟังฟังไปเพื่อให้เกิดความรู้เป็นความรู้จากการฟังแล้วก็ฟังเมื่อฟังแล้วก็มารวมรวมมาให้เป็นเป็นความรู้ของตัวเองก็คือต้องมีการลงมือกระทําเช่นการให้ทานก็ต้องลงมือกระทําการรักษาศีลก็ลงมือกระทําการภาวนา เรียกว่าทํากรรมฐานเนี่ยก็ต้องลงมือกระทาเมื่อลงมือกระทาตรงนี้แหละมันก็จะเกิดปัญญาจะรู้จะเห็นตามที่ได้พบได้เห็นหลวงพ่อนี่ก็คนหนึ่งแหละที่ที่ฟังเนาะทั้งอ่านทั้งฟังอะ่ะ อ, อ, อ่านของอาจารย์ลงโน้นบ้างอ่านพระไตรปิกบ้างแต่ก็ไม่ไม่ได้เยอะอ่านพระไตรปิฎกไม่เยอะนะส่วนใหญ่ก็อ่านครูบาอาจารย์ที่เราศรัทธาเลื่อมใสคําสอนอ อ่าแล้วก็ฟังฟังครูบาอาจารย์สายคำมัฐานเยอะๆเยอะๆแล้วก็มาปฏิบัติแล้วตรงไหนฟังของอาจารย์องค์ไหนมีความเขาเรียกว่าปิ้งอ่ะหรือว่าเก็ตเข้าใจในสิ่งนั้นก็เอามาใช้ปฏิบัติตกลงมันก็รวมรมรวมรกันเอาของอ ง, งนู้นนังค์นี้มั่งก็จริงๆก็คือคําสอนพระพุทธเจ้าแหละแต่ถ่ายทอดโดยครูบาอาจารยา์แล้วก็มาปฏิบัติเมื่อมาปฏิบัติมันก็ มีความเห็นมีความเข้าใจทีนี้หลวงพ่อเนี่ยถ้าจะให้ถนัดเนี่ยก็คือถนัดในเรื่องของการพิจารณาร่างกายจิตใจนี่แหละ เ, เขาเรียกว่าฝึกสติน่ะเห็นพิจารณาเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏในร่างกายสิ่งที่กำลังปรากฏในจิตใจนะมันปรากฏอย่างไรก็รับรู้รับทราบเออรับรู้รับทราบรับรู้รับทราบมันก็มีแค่นี้แหละรับรู้รับทราบ ทีนี้เมื่อรับรู้รับทราบจากการที่เราได้ยินได้ฟังได้อ่านเนี่ยท่านก็บอกว่าเออเนาะเนี่ยร่างกายจิตใจเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้แหละอย่าไปหลงยึดถือมันมันก็เป็นแค่สังขารเกิดดับเกิดดับให้เพียงรู้แต่ไม่หลงไปเป็นนะแค่รู้แต่ไม่หลงเข้าไปเป็นก็เพียนอยู่อย่างเงี้ยเมื่อมันมีความชํานาญมันก็รับรู้แต่ไม่เป็นไม่เป็นจริงๆ เหมือนกับเวลาป่วยเนี่ยรู้แล้วว่าร่างกายไม่สบายไงรู้แล้วรู้แล้วไงเออเมื่อรู้แล้วก็ไม่ต้องเป็นเป็นผู้ป่วยไม่ต้องเป็นผู้ป่วยแต่เห็นมันป่วยเห็นมันไม่สบายเช่นมันนอนอย่างเงี้ยมันนอนก็เห็นว่าร่างกายมันนอนร่างกายนั่งอยู่ก็เห็นว่าร่างกายมันนั่งอยู่ยืนอยู่ก็เห็นว่าร่างกายยืนอยู่คือเห็นว่าสิ่งนั้นอ่ะมันเป็นอย่างนั้นจิตใจก็เหมือนกัน เช่นมันมีความสุขมากตอนนี้เออมีความสุขมีความอิ่มเอิบใจก็รู้มันว่าอ๋อมันมีอาการอย่างนั้นมันมีอาการอย่างนั้นออหรือว่าเมื่อมีความไม่พอใจก็รู้แล้วว่าจิตใจมันมีอาการแสดงออกถึงความไม่พอใจรู้มันแต่ไม่ต้องไปเป็นมันก็ได้เออมันไม่ต้องเปิดเพราะว่ารู้กับอาการเนี่ยมัน เป็นสภาพธรรมะคนละอย่างใช่ไหมโกรธเนี่ยเออมันก็เป็นเป็นธรรมะอย่างหนึง่งแต่รู้เนี่ยไอตัวรู้หรือตัวสติมันก็รู้ได้อเมื่อเมื่อมันแยกเป็นอย่างเงี้ยมันก็ไม่เป็นเนื้อเดียวกันเนาะมันก็ได้รับรู้รับทราบรับรู้รับทราบแล้วก็ไม่ต้องไปเป็นเนี่ยฝึกอย่างนี้แหละยอมไม่ต้องไปเป็นเมื่อก่อนฟังหลวงพ่อคำเขียนท่านบอกว่าเห็นอย่าเข้าไปเป็น หลวงพ่อฟังแบบนี้อฝึกยังไงเนาะเห็นไม่เข้าไปเป็นก็เลยฝึกแบบยังไงอ่เหมือนกับว่าถอดตัวเรามาเป็นผู้เห็นอีกตัวหนึ่งเนอะเช่นร่างกายมันเดินเห็นแต่ไม่เป็นผู้เดินทํำยังไงก็ให้ร่างกายมันเดินแล้วถอดตัวเองขึ้นมาอีกตัวหนึ่งให้เป็นผู้ดูอันนี้ไม่ถูกนะแต่หลวงพ่อทําไปแล้วมารู้ทีหลังว่าเอา้า ไอ้แบบนี้มันมันปรุงแต่งมันสร้างตัวเราขึ้นมาอีกตัวนึงนมาเป็นผู้ดูร่างกายที่มันเดินมันไม่ถูกแต่ถ้าโถคือคือร่างกายอะมันเดินอยู่แล้วก็ร่างกายเป็นมันเดินอยู่ปกตินี่แหละเดินปกติแต่การรู้มันก็รู้ได้อยู่แล้วไงเราไม่ต้องสร้างผู้รู้เราไม่ต้องต้องสร้างตัวรู้หรอกมันมันรู้มันรู้อยู่ไงแต่ผู้รู้เนี่ยมันไม่ปรากฏตัวมันไม่มีตัวผู้ที่รู้ว่าเดินอะ เราไม่ต้องสร้างหรอกมันมีอยู่แล้วมันรู้ไงมันรู้ว่าเดินที่นี่พอรู้ว่าเดินเสร็จแล้วก็จึงมีแต่เดินแต่ไม่มีผู้รู้ที่เป็นตัวเป็นตนน่ะผู้รู้ที่เป็นตัวเป็นตนน่ะมันไม่มีมันมีแต่รู้แต่รู้เนี่ยมันไม่มีตัวมันไม่มีตนถึงเนี่ยมันต้อ ง, ต, องต้องเรียนรู้อันนี้เป็นเพียงแต่บอกให้ฟังเนาะการปฏิบัติเนี่ยมันต้องต้องฝึกเอาเองอ่ง เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดแต่ก็เท่าฝึกไปมันก็เข้าใจเองทีเนี้ถ้าถ้าหลวงพ่อจะพูดแบบนี้โยมลองฟังดูนะมันมันพอเข้าใจได้ไหมนะซึ่งบอกว่ามันมีแต่ทุกข์อันนี้หลวงพ่อพูดในมุมกว้างก่อนนะมันมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่มีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไปเห็นไหมอันนี้กำลังพูดถึงเรื่องทุกข์ มีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดนะมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่มีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไปก็แปลว่าสิ่งใดที่เกิดมาตั้งอยู่แล้วดับไปเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าทุกข์มันก็มีแค่เท่านี้ส่วนที่บอกว่านอกจากนั้นไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรตั้งอยู่ไม่มีอะไรดับเห็นหมพ้นไปจากทุกข์ก็คือความไม่มีพ้นไปจากทุกข์คือความไม่มีการเกิด ไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรตั้งอยู่ไม่มีอะไรดับไปเพราะฉะนั้นที่มีอยู่ก็คือมีแต่เฉพาะทุกข์เท่านั้นทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องการเดินการเดินก็คือมีการเดินใช่ไหมแสดงว่าเกิดขึ้นแล้วเกิดการเดินขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นจึงมีแต่การเดินนะมีแต่การเดินพ้นไปจากการเดินก็คือความไม่มีอะไรก็แปลว่าที่รู้ว่าเดินเนี่ย รู้นี่แหละเป็นความไม่มีรู้เนี่ยเป็นความไม่มีไม่มีการเกิดและก็ไม่มีการตั้งอยู่และไม่มีการดับไปมีแต่รู้แต่รู้นี้ไม่ได้เกิดไม่ได้ตั้งอยู่และไม่ได้ดับไปหยุ่นึกออกไหมมันรู้คือมันมีแต่เดินเท่านั้นแหละแต่ผู้ผู้รู้เนี่ยผู้รู้ที่เป็นตัวเป็นตนเนี่ยนะไม่มี ผู้ที่รู้ว่าเดินเนี่ยไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีการเกิดแล้วก็ไม่มีการการดับโอ้ยตรง น, นี้มันมันละเอียดมากกันเนาะมันพูดพูดยากมากแต่ว่าเอาเป็นว่าเมื่อเดินนะ่ยถ้ารู้ว่าเดินเนะี่ยมันไม่มีมันมันไม่มีใครรู้หรอกไม่ใช่เรารู้เพราะเราเนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วความเป็นตัวเป็นตนของเราเนี่ยมันไม่มีมันมีแต่การรู้ เหมือนสูตรพระพายะเนาะบอกว่าเราพวกเขาเคยได้ยินไหมว่ า, เ, าเมื่อเห็นก็สักแต่เห็นเห็นไหมเห็นมีแต่ผู้เห็นไม่มีได้ยิน เ, เมื่อได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินได้ยินเสียงเสียงก็ปรากฏเสียงก็มีการได้ยินการได้ยินเนี่ยมันมีแต่มันไม่ปรากฏตัวผู้ได้ยินมันแปลกไหม ถ้าพดงดง่ายๆมันมีแต่เสียงเท่านั้นแหละที่ปรากฏแต่การการได้ยินอะ่ะมันไม่ปรากฏตัวผู้ได้ยินแต่ทีนี้ความรู้สึกของเรามันรู้สึกว่าอย่างไงรู้สึกว่าเราได้ยินเนาะใช่ไหมเราได้ยินนี่แสดงว่าไปยึดการได้ยินมาเป็นเราแต่ความจริงอะ่ะมันมีแต่การได้ยินแต่ผู้ได้ยินหาได้มีตัวตนไหม ตรงนี้เออนี่ยอยู่กันสองคนนะเดี๋ยวลองลองแบบนี้ดูสมมตินะสมมตินะสมมติอย่างนี้สมมติว่าเสียงเนี่ยมีเสียงเสียงมีจริงๆได้ยินไหมสมมติว่าโยมตอบว่าได้ยินแล้วพอถามว่าแล้วใครได้ยินถ้าโยมบอกว่าก็หนูเป็นคนได้ยินอ่าสมมติว่าบอกหนูฉันนี่แหละเป็นคนได้ยินทีนี้พอพอบอกว่าหนูเป็นคนได้ยินปั๊บ เห็นไหมแสดงว่าตัวตนเกิดขึ้นแล้วคือก็เป็นเป็นหนูนั่นแหละเป็นฉันนี่แหละเป็นผู้ได้ยินเพราะนั้นให้รู้ตัวฉันอีกทีหนึ่งพอรู้ตัวฉันเสร็จแล้วไอ้ตัวฉันก็เป็นสิ่งถูกรู้ใช่ไหมแล้วไอ้ที่รู้ตัวฉันเนี่ยมันก็ไม่มีตัวมันมีแต่ตัวตัวตนที่เป็นฉันเนี่ยกลายเป็นสิ่งถูกรู้ไปแล้วแต่ผู้รู้ตัวฉันเนี่ยมันไม่มีแต่ถ้ายมบอกมี ไอตัวรู้ตัวฉันมีคือตัวเนี้ยอา้าวแล้วก็ไปมองไอตัวไอตัวที่รู้ตัวฉันอีกทีนึงก็ปรากฏว่ามันก็เป็นสิ่งถูกรู้อีกเมื่อเป็นอย่างเนี้ยก็จะพบว่าผู้รู้ตัวฉันที่แท้จริงมันไม่ไม่มีหรอกไม่มีจริงๆแต่ถ้าบอกว่ามีเมื่อไหร่ปับ๊บอันนั้นก็เป็นสิ่งถูกรู้ทันทีแค่นี้โยงก็จะเข้าใจได้เลยว่าการรู้ที่ไม่มีตัวไม่มีตนเนี่ยคือคือมันรู้แบบนี้แหละคือมันเป็นแค่รู้ แต่มันไม่มีตัวตนของผู้รู้เดี๋ยนะครับรู้สึกเสียงมันก้องอ่ะเสียงไม่ค่อยชัดใช่ใ ช, ใช่พอดีที่หลวงพ่อนั่งอยู่ก็มีเสียงอ่ารอบละแวกนี้มันจะมีเสียงรบ ก, กวนอยู่อลองลองคุยมากอนแล้วกันเนาะออกมือตัวออกมาตามาดูตัวเองอีกตัวอีกตัวหนึ่งเนี่ยบางทีก็งงคือสิ่งที่หลวงพ่อแนะนำเนี่ย สิ่งที่ทําให้เข้าใจได้ที่สุดคือต้องเป็นปัจจุบันเนาะถ้าเราไม่เป็นปัจจุบันเนี่ยยังไงก็เข้าใจไม่ได้เพราะว่าถ้าไม่รู้ในปัจจุบันเนี่ยมันจะมีตัวเราเป็นผู้เขาเรียกว่าเป็นผู้คิดเป็นผู้นึกเป็นผู้รู้เรื่อยไปแต่ถ้ารู้ตัวในปัจจุบันเนี่ยมันจะรู้เลยว่าไอ้ตัวเราเนี่ยเป็นสิ่งถูกรู้ถ้ารู้ตัวปัจจุบันเนี่ยก็จะรู้ว่าตัวเราเป็นสิ่งถูกรู้คําว่าตัวเราก็คือ หลวงพ่อเคยยกตัวอย่างนะว่าทำไมพวกเราจึงรู้จักคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเราเห็นไหมสมมุติว่าเรานั่งกันอยู่สักสิบคนนะรวมถึงตัวเราด้วยเนาะเราจะรู้เลยว่าเก้าคนเนี่ยไม่ใช่ตัวเราแล้วก็จะรู้จักตัวเราด้วยว่าอ้าก็มีตัวเราด้วยในจำนวนสิบคนเห็นไหมพอเป็นปัจจุบันปั๊บมันก็จะรู้ตัวเราพอรู้ตัวเราเสร็จแล้วตัวเราทั้งตัวก็จะเป็นสิ่งถูกรู้ แต่ผู้รู้เนี่ยจะไม่ปรากฏตัวเพราะเหตุว่าผู้รู้เนี่ยมันไม่ใช่เราแล้วผู้ที่รู้เราเนี่ยมันมันเป็นธรรมชาติมันเป็นธาตุรู้เนาะแต่ตัวเราเนี่ยเป็นสังขารปรุงแต่งเป็นสังขารทั้งตัวก็เป็นสิ่งถูกรู้ไปเนี่ยต้องต้อ ง, ต, องต้องดูตัวเองให้เป็นในปัจจุบันแล้วจะเข้าใจง่ายอย่างเมื่อกี้ที่โยมถามขึ้นมาแบบเนี้ยแต่นี้มันผ่านไปแล้วเนาะแต่ก็พอพอตื่ เขาเรียกว่าพอที่จะพิจารณาได้เพราะว่ามันเพิ่งผ่านไปพอโยมถามปั๊บเนี่ยเห็นไหมขณะที่โยมถามเนี่ยตัวโยมเนี่ยก็คือมีตัวโยมอยู่อยู่ตัวหนึ่งเป็นผู้ถามถ้ารู้สึกตัวตัวโยมผู้ถามก็จะเป็นสิ่งถูกรู้ในขณะที่ตัวโยมผู้ถามเป็นสิ่งถูกรู้ปับขณะนั้นแหละจะมีธรรมชาติที่รู้ตัวเราเรียบร้อยแล้วแล้วก็จบไปขนาดหนึ่งแล้วเมื่อถามใหม่ ถ้ารู้ตัวเราใหม่ก็ตัวเราก็เป็นสิ่งถูกรู้อีกแล้วอ่าแต่ผู้รู้ก็ไม่ปรากฏตัวอันนี้ก็เป็นขณะจิตหนึ่งแล้วก็ขณะจิตต่อมามันก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นธรรมะที่เป็นปัจจุบันแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้เราเอาตัวเราไปคิดไปถามแต่เราไม่รู้เราเนี่ยมันเข้าใจยากที่สุดเลยทีนี้ที่หลวงพ่ออธิบายแบบนี้พอกระชับขึ้นไหมหรือว่าก็ายังงงเหมือนเดิม ก็ก็ชัดครับแต่เข้าใจตรงที่ว่าตรงที่หลวงพ่อเคยอธิบายให้ผมฟังว่าไอการที่เราเป็นเป็นผู้พิการเนาะและเราเราสามารถที่จ ะ, จะเจริญสติด้วยท่าทางลักษณะไหนก็ได้จะนั่งก็ได้จะนอนก็ได้แต่ขอให้เรารู้สติว่าเราตอนเนี้ยเรากําลังทําอะไรอยู่เท่านั้นก็ได้ไม่ต้องเดินจงโกมไม่ต้องไม่ต้องไปนั่ง สมาธินานเท่าไหร่ก็ได้แต่ขอให้เรารู้ตัวคณนะผมผมได้ได้ได้ทำตามที่หลวงพ่อได้แนะนําก็ทําให้ผมได้ได้ทําให้ใจได้ดีขึ้นได้ทําให้จิตใจได้ได้นิ่งขึ้นก็ก็กขอขอบคุณอาจารย์ครับอ่าก็ก็ฝึกไว้เนาะตัวอย่างของอาจารย์กําพลทองบุญนุ่มเป็นถือว่าเป็นครู ชั้นดีเพราะว่าอาจารย์คำพลก็เป็นผู้พิการแล้วก็น่าจะหนักมากเพราะว่าท่านเดินไม่ได้เลยนั่งก็ยังไม่ได้เคยดูวีดีโอของอาจารย์คำพลทองบุญนุ่มไหมอย่างไรไม่เค ย, ย, ย, ยอู้หรอโหน่าเสนะียดายนะโยมถ้ามีโอกาสนะใน youtube มีเยอะมากเลยเสิร์ชหาอาจารย์คำพลทองบุญนุ่มเนี่ยแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็สร้างกําลังใจให้กับผู้คนมากมายเนาะเพราะว่า อาจารย์กมพลเป็นผู้พิการแต่ว่าเข้าถึงธรรมก็หมายถึงว่าหลุดพ้นออกมาจากความป่วยไข้ได้แล้วท่านบอกว่าร่างกายมันป่วยแต่จิตใจสดใสเพราะว่าแยกกายแยกจิตได้ว่าป่วยก็คือส่วนที่เป็นร่างกายแต่จิตใจไม่ได้ป่วยด้วยเพราะจริงๆแล้วจิตใจก็คือเป็นผู้ที่รู้ที่เห็นจึงหลุดออกมาเป็นแค่เพียงผู้ดูร่างกายว่าร่างกายมันป่วย จิตใจก็เลยสดใ ส, ดสเบิกบานไม่ต้องป่วยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมะเนี่ยมันต้องต้องต้องหัดเหมือนคล้ายๆว่าต้องแยกเนาะต้องแยกด้วยปัญญาให้เป็นว่าเออจริงๆร่างกายมันก็ส่วนหนึ่งจิตใจที่เป็นจิตใจที่ทําหน้าที่รับรู้รับทราบมันไม่เคยป่วยมันได้แต่ทราบมันได้แต่รู้ทีนี้การฝึกก็คือต้อนทางของมันก็นี่แหละก็คือฝึกมีสติเนาะรู้กายรู้จิตรู้กายรู้จิตจิตที่มันคิดมันนึกรู้อารมณ์เนี่ย เป็นรู้เป็นรู้ไปเรื่อยหัวใจของพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านสอนเป้าหมายก็คือให้มีให้มีรู้นี่แหละเพราะว่าไม่ว่าในสติปัฏฐานสูตรไม่ว่าจะเป็นสูตรไหนจะลงท้ายด้วยรู้ด้วยรู้เช่นเดินก็รู้นั่งก็รู้นอนก็รู้คิดก็รู้โกรธก็รู้ไม่โกรธก็รู้เบื่อเซ็งก็รู้ไม่เบื่อไม่เซ็งก็รู้โอ้ยมีแต่รู้เพราะนั้นฝึกให้มีตัวรู้คือให้มีรู้ เมื่อรู้สิ่งใดก็ไม่ยึดถือสิ่งสิ่งนั้นคือรู้อะไรก็ตามแต่ก็ไม่ยึดถือได้เพียงแต่รู้เท่านั้นเองความสบายนะที่เกิดขึ้นในร่างกายจิตใจเมื่อรู้แล้วก็สักแต่รู้คือไม่ได้ยึดไว้ความไม่สบายเมื่อรู้แล้วก็ไม่ได้ยึดถืออาการทางจิตเช่นโล่งโปร่งเบาสบายก็รู้แล้วแต่ก็ไม่ยึดหรืออาการที่มันมึนๆ น, นะมันทึบๆ รู้แล้วก็ไม่ยึดคือใช้หลักรู้อย่างเดียวนะตรงเนี้เป็นเป็นเป็นความสําคัญมากนะักปฏิบัติหลายคนฝึกฟังธรรมะอาจจะฟังไม่จบหรืออะไรเนาะปฏิบัติไปสิ่งไหนที่ดีก็จะยึดเอาไว้สิ่งไหนที่ไม่ดีก็เกลียดชังผลักไสนะอันเนี้ยเท่ากับว่าเป็นการปฏิบัติยังไม่เป็นกลางเพราะว่าปฏิบัติเพื่อจะเอาหรือปฏิบัติเพื่อไม่เอา พระพุทธเจ้าปฏิบ no <c oughs> ัติเพื่อรู้แล้วก็วางหมดเลยไม่เอาไม่เอารู้อย่างเดียวเนาะค่อยๆเนาะค่อยๆฝึกไปนะแล้วก็บวกกับการฟังแล้วก็จะพัฒนาทางปัญญาเองะประมาณสองสองนกว่าที่ตดก็ถึวนนียไอ้ความสงบที่เคยแล้วก็ได้ได้ับกา้สอนขว่าให้ให้เป็นธรร กก็า ท, าหทให้เอนมันที่าม้เนันอก็รู้รสึกช ล, ลอกลงนนะครับอน่นี่ยก็คือถ้าปฏิบัติถูกมันก็ให้ผลอย่างนี้นะ<ด>แต่ก็ผลที่เกิดขึ้นไม่อย่าได้หลงเอาตัวเราไปรองรับว่าเราเป็นผู้ทำได้เนาะมันมีแต่ผลที่เกิดขึ้น อย่างที่ที่เล่าอะ่ะแหละเป็นผลที่เกิดขึ้นแต่ไม่มีไม่มีผู้เข้าไปรองรับยึดถือว่าผลนั้นเป็นเราเป็นของเราก็คือได้แต่รับทราบ <c oughs> รับทราบทราบแล้วว่ามันเบา <c oughs> เพราะว่าอาการเหล่านั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่เที่ยงอ่ะเนาะมันก็สลับได้อยู่บางทีมันก็โล่งโปร่งเบาบางทีมันก็มนึมนๆตึ๊บๆงงๆหรือหนักๆ ก, ก็ได้มันมันเปลี่ยนได้อยู่ เพราะนั้นใช้หลักรู้อย่างเดียวก็คือเออมันจะเปลี่ยนยังไงก็รู้แล้วรู้แล้วแต่พึดต่พื้นไปนะนี่รวมถึงคนอื่นด้วยนะคนที่อยู่ที่กำลังฟังเนาะใช้หลักตรงนี้เพื่อเป็นทางปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์ใช้หลักอันเดียวกัน